ีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานาปัจใจเพศสัตว์บริขารโดยที่สุดกระทั่งก้อนจุรณนะไม้ชัมระฟันหรือได้ชายผ้าคำว่าทำการซื้อขายคือภิกษุพูดเป็นเชิงบังคับว่าท่านจงให้ของสิ่งนี้ด้วยของนี้นำของสิ่งนี้มาด้วยของนี้แลกเปลี่ยนของสิ่งนี้ด้วยของนี้จ่ายของสิ่งนี้ด้วยของนี้ดังนี้เป็นต้นต้องอบัตทุกก ก็ต่อเมื่อสิ่งของของตนตกไปอยู่ในมือของคนอื่นและสิ่งของของคนอื่นตกอยู่ในมือของตนจัดเป็นการซื้อขายกันเป็นนิสกีคือเป็นของจําต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละของที่เป็นนิสกีอย่างนี้